ไมงั้นเราไม่มีคําว่าสังฆทานนะสังฆทานก็บอกอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าคือทานที่ถวายสงเจนี้เราลังเกตคําว่าทานเพราะคิดว่าการให้ทานคือการให้คนจนพอใช้คําว่าทานกับพระก็นึกว่าพระเป็นคนจนอันนี้เป็นความไข้เขลเหมือนกับเวลานี้คําว่ากินพูดไม่ได้ต้องพูดคําว่าทานมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ